เ, เราก็นั่งของือวางเว้งข้างก่อนแล้วก็ไม่ต้องพนมมือก็ได้นะนั่งตั้งใจฟังนิดหนึ่งว <c oughs> ันนี้ก็มีกลุ่มเข้ามาปฏิบัติธรรมกันก็รู้สึกว่าบางตาผิดปกติจะเป็นสัญญาณบอกถึง กลุ่มที่มาประจำเดือนเดือนนี้ก็ถือว่าน้อยอาจจะมีกระแสะต่างๆมากมายที่ทำให้หลายคนหยุดหยุดอยู่กที่ก่อนเพื่อตั้งลำใหม่จะยังไงต่อไปเกี่ยวกับเรื่องการพัฒนาจิตหรือว่า การท่องไปตามวัดบารามหรือว่าเข้าคอร์สปฏิบัติกับครูบาอาจารย์ท่านนั้นท่านนี้ท่านนูน้นตามมัดต่างๆสระตอนนี้มันก็กะแสที่หลายคนไม่มั่นใจในเรื่องของตัวครูบาอาจารย์หรือวิธีการปฏิบัติหรือว่าวัดบารามต่างๆ mm hmm. ก็ไม่เป็นไร เท่าที่มานี่เราก็ยาประโยชน์เอาประโยชน์จากการม า, าประโยชน์จากสถานที่อย่างวันนี้เป็นวันพระก็มีพระเบิดใหม่วันนี้ก็มีก็ลงเบิดประมาณยี่สรูปดยิบเก้าลูกมีพระนำสวดปฏิโ ม, มกข์ ถ, ถวทูศีลสองยีบดข้อ มีการให้วาดโดยอาจารย์วัฒ น, นชัยเพื่อให้เราได้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในเรื่องการอยู่ร่วมกันอะไรที่ควรระวังไม่ควรทำอะไรที่ต้องทำเป็นพระวินัยศีลสอง้อยยี่ส็ข้อพราะบางส่วนท่านก็จะขอเก็บอารมณ์ บางรูปในว่าพระประเทศจีนก็มียกมืออยู่2รูป3รูปขอเกบารมก็คือฝึกให้มีความรู้สึกตัวอยู่กับตัวเองให้ได้ที น, นี้เรากลุ่มที่เข้ามาคอประจําเดือนจำนวนยี่สิกว่าท่านประเดีสักวันสองวันก็จะมีมาสมทบอีก สี่สิบสามคนมระยะสั้นๆอันนี้เราก็มาเหมือนกันออกจากเรือนมาไม่เกี่ยวข้องเรียนแล้วเราก็มาอยู่ร่วมกันที่ชุมชนของวัดป่าสุขโตที่มีเนื้อหามีเนื้อหาของวิชากรรมฐานมันก็เป็นวิชาที่ไม่เคยได้ยินได้ฟังหรือว่าเราเรียนมาจาก สถาบันไหนแต่ว่ามาที่นี่มันก็ได้ยินได้ฟังที่นี้ก็ฝึกสติกันเจริญสติกันให้มันตรงกับบดบทสวดเมื่อสักครู่ที่เราสวดกันว่าอาดีตก็ผ่านไปแล้วอนาคตก็ยังไม่มาอาดีตก็ทําให้เราอาลัยอาวร์อนาคตก็ทําให้เราวิตกกังวล ปัจจุบันถ้าไม่รู้สึกตัวมกันหลงโลกหลงตาหลงหูจะหมุกลิ้นกายใจโอกาสที่จะมาปฏิบัติธรรมกันมีน้อยเหมือที่ข้างล่างหลวงพ่อมติดาวหลวงพ่อมเขียนที่นี่หลวงพ่อเขียนวันนนทท่านเป็นประธานสงข้อที่แล้วของโคราสาสุโคลาดาหลวงพ่อมีส่วนร่วมในการเอาไวนิวมาติดตรงบันไดพูดถึงว่า คนเราเนี่ยเสียเวลากับการนอนซะ23ปีใน70ปีเลยนะเวลาที่เสียไปสูญเสียไปน23ปีการนอนหลับกับการแต่งเมื่อแต่งตัว3ปีกับการท่องเที่ยวไปนวนมานี่นอยู่ประมาณ10ปีการกินใน7ปีเสียเวลา แต่ว่าพัฒนาจิตนี่ไม่ถึงหนึ่งปีเราทานไปเอาข้อมูลเอาสถิติมาจากไหนแต่มาย้อนกลับมาหาตัวเองก็จริงเราทานข้าวเวลาสองมืออย่างน้อยฉันข้าวเวลาสองมือหรือว่าตอนเป็นญาติโยมว่าสา ม, มื้อสี่มือ้อหรือว่าจุกจิกอีกหลายมือ้อแต่ว่าอาหารจิตเราก็ไม่เคยให้วัน จะนั่งสมาธิวันละครั้งเจัลสติวันละหทีสิบทีเราก็ไม่ได้ทําอาบน้ำวันละสองครั้งเช้าครั้งหนึ่งก่อนนอนอีกครั้งนึงตื่นนอนก่อนนอนสองครั้งได้ไหมชำระจิตไม่เคยเลยแต่ละวั น, นไม่เคยใอาหารกายอาหารกายอย่างเดียวอนาะหารใจก็ไม่ได้ให้ชำระกายก็ชำระกายอย่างเดียวก็ไม่ได้ชำระใจอาบนอนเสื้อผ้าก็สวมใส่ร่างกายแต่ววใจก็ ไม่มีคุณธรรมเลยอยู่ความหลงหลงคิดหลงพูดหลงทำไปตามอารมณ์ไปตามความต้องการแต่พอเราทุกขึ้นมาเงี้ยมันก็คิดไม่ออกบอกไม่ถูกก็ถึงทางตันชีวิตถึงทางตันก็คือมันจับสนยงเหยงจับสนในเรื่องของสังคมเศรษฐกิจการเมือง กินก็ไม่ได้นอนก็ไม่หลับเตัวนี้อาการผู้นั้นเริ่มบอกของการเป็นโรคจิตโรคประสาทเบื้องต้นมันก็เอะใจโดยเองเนี่ยทำไมยิ่งทํางานยิ่งทุกข์ทำไมยิ่งชีวิตมันมีข้างนอกแต่ว่าดัานในมันเหมือนกับเหี่ยวแห้งเหี่ยวแห้งหดหู่เหงาว้าเวรรู้สึกหายใจไม่อิ่มนะตัวนั้มันได้เจอแล้วก็หลงไปตามที่สังคมก็โฆษณาชวนเชื่อ มาที่นี่ดีที่สุดมาตรงนี้ทำอย่างนี้มีความสุขที่สุดมางานนี้เราจะตื่นตาตื่นใจตื่นตาตื่นใจแสงสีกลิ่นเสียงต่างๆไลเอนซ์ซาวเราโฆษณาเราก็ทำอย่างนั้นแต่มันก็ไม่ใช่ะมันก็มีความรู้สึกมันต้องมีอะไรบางอย่างที่มันบกพร่องไปแล้วผิดพลาดไปจนทั้งได้ยินได้ฟังเรื่องของบริษัท น, นาที่ชีน้นำ มันมีทุกันมีเหตุแห่งทุกเนี่ยการกล่าวล่วงออกจากความทุกขนการวิธีในการดับทุกมันมีแบบว่าการฝึกสติสัมปชัญญะตัวนี้นการฝึกสติให้รูร้รู้ปัจจุบันขณะที่การเคลื่อนไหวของกายเราก็เริ่มต้นรับรู้รับทราบแล้วเอาข้อมูลตรงนั้นมาฝึกหัดปฏิบัติดูลองนั่งดูลมหายใจก็าบอกเป็นการฝึกสมาธิ ลองมาดูท้องพองยบ่าเป็นการฝึกสติเรามาเคลื่อนไหวมือสิบสี่ยังไหวเขาบอกเป็นการเจริญสติการเดินจงกรมก็าบอกเนี่ยมันแก้ทุกข์ได้เราก็ลองฝึกหัดดูก็บอกเห็นกายเคลื่อนไหวเห็นใจนึกคิดเป็นคําพูดที่หลวงปู่เทียนได้ใช้พูดสอนคนหรือว่าพระเจ้าบอกว่า ทุกข์ที่มันเกิดขึ้นมาน่ะมันเกิดมาจากตัณหาอุปทานตัณหาอุปทานทําให้ทุกข์เป็นภาษาบาลีแล้วมากระจายความหมายมันคืออะไรแต่เราเล่าว่าการตัณหาอุปทานทําให้เราทุกข์ตัววิชาตัวหลงตัวไม่รู้ทําให้เราทุกข์ทให้เกิดตัณหาอุปทาน เราก็ไม่รู้ว่ามันหลงมันเป็นยังไงมันรู้มันเป็นยังไงเราก็ไม่เข้าใจมีครูบาอาจารย์ก็บอกให้นั่งดูลมหาย ใ, ใจแล้วก็ลองทําดูเวลานอนไม่หลับให้นับแกะกระโดดตัวที่หนึ่งตัวที่สอ ง, ต, สองตัวที่สามแล้วก็จะนอนหลับเราก็ลองทําดูหมอก็ก็บอกว่าให้ดื่มแอลกอฮอล์สักเล็กน้อยมันจะได้ไม่ต้องคิดมากจิตใจจะได้ผ่อนคลาย ให้ออกลังกายบ้างไปวิ่งบ้างให้เหงื่อออกบ้างหรือว่าให้ไปไหว้น้าบ้างแล้วก็ลองทําดูมันก็ใช้ได้อยู่ชั่วครั้งชั่วคราวพอทําไปสักพักมันก็เข้าอีกรูปเดิมอย่างนี้หลายๆอย่างที่เราได้ยินได้ฟังมันแล้วก็น้อมมาปฏิบัติที่ตัวเราแต่มันมีอยู่อย่างหนึ่งที่ทําแล้วได้ผลก็คือ หลวงพ่อครูาจารย์ท่านบอกว่าทุกเนี่ยเกิดจากความคิดถ้ายอยาจากความคิดให้รู้สึกที่การเคลื่อนไหวของกายการเดินจงกรมเท้ากระทบรู้สึกเบืเ้องต้ น, นตรงนี้เคลื่อนไหวมือสิบสี่จังหวะแต่และจังหวะให้รู้สึกเป็นปัจจุบันเคลื่อนไหวมือแต่ละจังหวะรู้สึกตัวรู้ว่าเดินแต่ละก้าวแต่ละการกระทบสัมผัสรู้สึกตัวประเดี๋ยวสติมจเจริญขึ้นมามันจะเห็นอาการต่างๆที่เกิดขึ้นมาในจิต แล้วสติเห็นกายกายก็ตื่นสติเห็นจิตเห็นใจใจก็ตื่นเป็นการปลุกเป็นการขย่าให้จิตมันตื่นขึ้นมาตื่นขึ้นมาจากความที่มันหลงก็ไปในความคิดหลงก็ไปในอารมณ์การปรุงการแต่งให้ออกมาหาไปอยู่ในขนาที่มันเป็นจริงๆที่มันสัมผัสได้โดยเพราะการเคลื่อนการไหวของกายสตนนิน้อยๆมันก็จะ ออกมาอยู่กับปัจจุบันแล้วลึกรู้ปัจจุบันมันก็จะเจริญงอกงามเมื่อสติมันมีมากๆมันก็ตื่นตัวมากๆสติรู้กายกายก็ตื่นมากๆสติรู้ใจใจก็ตื่นมากๆก็เลยเออแปลกดีคาพูดประโยคนี้เราก็ไม่ค่อยได้ยินใครก็พูดกันแต่พอได้ยินแทบหรือว่าสื่อจาก คำพูดของหลวงปู่เทีย น, นก็สะดุดหูยิ่งมาได้เจอหลวงพ่อคำเขียนนั่นบอกว่าเนี่ยมันแค่ดีดนิ้วแปะเองทุกมันก็หล่นแล้วความทุกข์มันไม่ได้ขี่ช้างขี่ม้ามาจากไห น, นความทุกข์เนี่ยเพียงแค่รู้สึกตัวเท่านั้นเองมันตรงกันข้ามเลยเปลี่ยนจากทุกเป็นไม่ทุกเราฟังดูแล้วมันก็อัศจรรย์ เออมันมีเรื่องแบบนี้ด้วยก็ม่เคยได้ยินได้ฟังแล้วมันก็จริงก็คือเวลาเรากระทบสัมผัสรู้สึกจิตทํางานได้ทีละขณะขณะที่รู้สึกตัวรู้สึกตัวรู้สึกตัวนะมันก็ไม่ได้เข้าไปในความคิดมันเป็นการสัมผัสรู้แล้วก็เริ่มจับประเด็นตรงนี้ละทุกครั้งที่รู้สึกตัวเราเห็นความเป็นปกติเล็กๆมันมาให้เราได้สัมผัสตรงนี้แหละมันก็อาศจันใจ สิ่งเหล่านี้มันมีด้วยหรือคำบอกคำสอนคำชี้คำนำแล้วพอเราทำมันก็มีสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นมันเคยหมกมุ่นอยู่กับการให้ค่าที่สังคมเขาชี้นำสร้างกระแสต้องเรียนถึงจะเก่งเรียนมากๆรู้มากเก่งมากคิดมากๆกคิกคนันการดีก็ถือว่าเป็นเลิศ ก็สอนให้เราคิดแต่ว่าก็ไม่ได้สอนให้เราหยุดคิดคราวนี้สิ่งที่คิดเหล่านั้นมันก็ทําประโยชน์ได้น้อยเวลาทํางานทําการก็มีแต่คนเก่งกคิดพูดกดการทะเลาะ บ, บ่แวงนะคนทํามันก็ไม่มีคราวนี้พอเราได้เห็นว่าเออการทํากรรมฐานนะให้เอาการกำำระทํานําำรัการจะทําอะไรก็ตามให้เอาการกระทำำํานําไม่ต้องเอาความคิดนํา เราเริ่มเห็นแล้วออการไปกระทำเนี่ยต้องเอาการกระทํานําเหมือนกันแต่ว่าให้ฟังคําพูดให้ดีๆเนื่องจาะลักษณะของกรรมฐานเบื้องต้นนะให้เห็นกายเคลื่อนไหวหเห็นใจที่มันคิดมันนึกเวลามันนึกมันคิดนะแต่ว่าความคิดทั้งหมดเราจะเพิ่มว่ายุ่งกับมันให้กลับมาหากรรมฐานเบื้องต้นที่เราใช้รูปแบบปฏิบัติก่อน ต็ว่ารูปแบบมีมากมายเลยนะที่เรียกว่าเจริญสตนะิการก้าวไปข้างหน้าถอยมาข้างหลังก็เรียกว่าเดินจงกรมอันนี้ก็เป็นรูปแบบหรือว่าตอนนี้เราเห็นบางคนบางท่านกําลังเคลื่อนมือสิบสี่จังหวะอยู่นี่ก็คือรูปแบบการนั่งตั้งกายให้ตรงดํารงสติให้มันกําหนดรู้ลมหายใจนี่ก็เป็นรูปแบบจะเป็นท้องพองยุบอันนี้ก็คือรูปแบบการปลแบบแบบึกจิตสามารถทําให้จิตเราเกิดความสงบก็ได้ หรือว่าสามารถทำให้จิตของเราเกิดความฉลาดก็ได้อันนี้ขึ้นอยู่กับผู้ปฏิบัติที่สนใจใส่ใจแล้วให้ความต่อเนื่องมีการสังเกตก็จะเห็นว่าเออการเคลื่อนไหวของกายแต่ละขณะนี่มันเป็นหลักของวิชากรรมฐานแล้วก็จะไปตรงกันในตำราในตำร า, าก็บอกไว้ว่า การเห็นกายเคลื่อนไหวเนะี่ยขณะที่การเคลื่อนไหวของกายมันปรากฏตทุกขณะนะให้รู้เท่ารู้ทันเป็นปัจจุบันจนกระทั่งเห็นกายมันไม่ใช่เราอะมันมีสภาวะของผู้ดูเกิดขึ้นมามันก็เห็นกายในกายมันไม่ใช่สัตว์ตัวตนบุคคลเราเขา ม, มัมีตัวเราก็เป็นในกายก่อนฝึกมันเห็นกายเป็นกูแก่ก็กูแก่เจ็บก็กูเจ็บตายก็กูตายอะไรทํานองเนี่ยนะ ตอนหลังมกลายไปว่าเออเจ็บกายก็ไม่เจ็บอยเราก็จะได้เห็นว่าตอนนั่งตอนเนี้ยนะก็หมายถึงว่ามันเจ็บแ ต, ม, ม, บ ม, ต, ม, บแตมันไม่ใช่ว่าเจ็บมาถึงจิตถึงใจของเรากายมันเจ็บแต่ไม่ใช่ว่าเจ็บจนทั่งมันทนไม่ไหวแต่จิตใจของเรามันทรมานมันทนไม่ไหวตรงที่จิตมันกายเป็นก้อนทุกข์แต่ว่าใจมันทรมานมันหลงไปในกานรเจ็บปวด แทนที่มันจะมีสติปรับเปลี่ยนผ่อนคลายบรรเทาอย่างนี้นะอันนี้มันต้องฝึกต้องหัดเราก็เลยเริ่มมีความชํานาญอันนี้แหละเวลาที่เรามาฝึกกันห้าวันเจ็ดวันจะมีผลจะเริ่มเห็นตัวชีวิตของเราจริงๆตัวกายมีอาการอย่างไรร่างกายของเราเป็นก้อนทุกข์ใครมีร่างกายก็ทุกๆคนต้องเกี่ยวข้องต้องนั่งต้องเดินต้องยืนต้องนอน ต้องหันซ้ายหันขวาต้องเดิมต้องขับกล้องถ่ายต้องเอาเข้าเอาออกต้องเกี่ยวข้องปรับท่าให้สมดุลมันก็จะเกิดประสบการณ์ตรงขึ้นมาของใครของเรากันละอีกอันก็คือความคิดที่มันเป็นนมามธรรมมันเป็นอาการของจิตของใจนะความคิดเนะี่ยมันเป็นอาการที่ เราห้ามมันไม่ได้ปรากฏารเนี้ยแต่ว่าเราสามารถที่จะรู้ทันมันได้รู้ว่าบางทีเนี่ยมันจะมีอาการเป็นปกติสติมันจ ะ, ะระลึกรู้อยู่จิตใจที่มีสติว่างๆ ง, ง, งแล้วก็มีอาการคิดซ้อนขึ้นมามันจะเห็นตั้งแต่ก่อนคิดเลยแหละรู้ว่าบางทีไม่เห็นขนาดคิดไอ้ตรงนี้ละมันจะได้หลักของการใช้ชีวิต นักจ ย, ยาได้พูดไปว่าความคิดของเราในแต่ละวันเนี่ยมันมีไม่น้อยกว่าหก0 0 0่นเรื่องเตรียมปลากดขึ้นมามันเป็นความคิดปรุงแต่งเวลาตากระทบมันก็คิดได้เวลาหูกระทบมันก็ส่งทําให้เกิดการคิดการปรุงกันแต่งเกิดมาได้แล้วก็ความคิดนี่ไม่มีตัวไม่มีตนความโลภความโกรธความหลง กิเลสกรรมวิบากวันนะี้มันก็เกิดจากการคิดคิดแล้วก็พูดคิดแล้วก็ทำเพราะฉะนั้นการฝึกความรู้สึกตัวการเจริตสตินะ่ะมันก็ต้องเห็นเห็นปรากฏการณ์ของความคิดทิมปรากฏขึ้นมาบ่อยๆแต่ ว, ว่าใหม่ๆจะไม่ค่อยได้เห็นนะั่นนะใหม่ๆบางทีเราอยากจะนอนให้หลับก็คิดอย่างนีน้มาที่นี่เราได้หลักกรรมฐานหนะึ่งว่าอย่าไปยุ่งกับความคิด การนอนไม่หลับไม่ใช่ปัญหาแต่ว่าอยากนอนให้หลับนะี่คือตัวปัญหาตัวเจ็บตัวปวดก็ไม่ใช่ป mm ัญหาแต่ว <Beyond heart> <ıyorum onya> ่าไม่อยากเจ็บไม่อยากปวดนี่คือตัวปัญหาเหมือนกับยุงที่มาตอมเราก็เหมือนกันะตัวยุงที่มาตอมมากัดอันนี้ไม่ใช่ปัญหาแต่ว่าไม่อยากให้มันกัดตัวนี้คือตัวปัญหาตัวกรอดก็ไม่ใช่ปัญหาแต่ว่าไม่อยากกรอดคือตัวปัญหาหรือว่าเห็นจิ่งต่างๆมากมายรอบตัว ไอ้ตัวนั้นไม่ใช่ปัญหามันเป็นปรากฏการณ์แต่ว่าใจของเราที่มีความคิดการปวงการแต่งเข้าไปนะั่นคือตัวปัญหาเราก็ได้เห็นหลักของการปฏิบัติธรรมขณะที่เรามาศึกษาปฏิบัติธรรมที่วัดป่าสุกโตโ น, นะก็จะมีรูปแบบการฝึกนะการนั่งตัวตรงแล้วก็วางกายใลแล้วก็ความคิดทุกชนิดเราก็ไม่ดำริ เราก็เหลือแค่การสั่งตัวเองให้เคลื่อนมือกระทบสัมผัสรู้สึกขณะหนึ่งรู้ครั้งหนึ่งวินาทีหนึ่งก็รู้ครั้งหนึ่งกระทบปลูกระทบปลูไปเรื่อยเบื้องต้นเราจะค่อยค่อยเห็นปรากฏการณ์ที่มันแสดงออกมาเป็นอาการของกายและอาการของใจมันจะทําให้เราได้เหมือนกับว่าหูตาสว่างสิ่งที่เราไม่เคยเห็นแต่ว่ามันเป็น ปราการเป็นอาการที่ปรากฏอยู่ทุกๆขณะเลยแต่ว่าเราไม่เคยกลับมาดูมันคราวนี้พอเรากลับมาดูมันก็จะได้เห็นนะดูผ่านการเคลื่อนกันกไว้ให้ความรู้สึกตัวนี่แหละทยส่วนใหายเป็นความรู้สึกตัวทั่วล้อมขึ้นมาตรงนี้แหละที่อาจารย์มาหรือผมใช้คําว่าที่มาบวชก็ตรงที่ที่นี่ก็สอนเรื่องนี้กันหลวงพ่อคำเขียนซึ่งตอนนี้ท่านไม่อยู่นะหลวงพ่อคำเขียน ซาบะท่านบวชพระอยู่ที่วัดภูเขาทองแล้วก็หลังจากนั้นไปไหนต่อก็ไม่แน่ใจท่านก็ได้เหมือนกับว่าชวนกันให้ฝึกกรรมฐานปฏิบัติกรรมฐานที่นี้เราจะให้มีการฝึกอย่างเป็นอิสระถ้าเป็นกลุ่มเป็นก๊อสก็สักวันที่สองนั่นแหละนะหลังจากที่เราเรียนรู้รับรู้ปฏิบัติร่วมกันสักวันสองวันพอเห็นว่าเราพอที่จะอยู่ตัวเองได้ ปฏิบัติเองได้เราก็จะปล่อยให้ท่านได้เรียนรู้เต็มที่เลยไม่ต้องควบคุมไม่ต้องมีการบังคับแต่เพียงแค่ว่าถึงเวลาให้มาทําัตรสวดมนต์กันให้มีบทสนทนาในเรื่องที่เราทำกันมาทั้งวันแล้วก็ถึงเวลาก็นอนหลับที่นี่ก็ไม่ควรนอ น, อนเกินสามทุ่มก็คือเรานอนแต่ว่าตอนเช้าตื่นขึ้นมาล้วก็ทาความเพียรกัน แล้วก็ไปรวมตัวกันรับประทานอาหารที่ซาลาหน้าประมาณสัก7มงครึ่งก็จะเป็นกิจวัตรประจำวันอย่างเงี้ยตลอด24ชั่วโมงเราก็สามารถใช้อิสระได้หลังจากที่อยู่ครบยบชั่วโมงเลรู้ว่าชุมชนนี้เขามีกิจกรรมหรือมันมีกิจวัตรอย่างไรต่อเตื่นอย่าหลับตื่นอย่าหลับแล้วก็เน้นให้ทุกๆวินาทีมีการปฏิบัติลงไปทั้งในรูปแบบทั้งนอกรูปแบบเียว่า ชโชว์อากาศการช่วยโอากาศคือทั้งในรูปแบบและวก็นครูปแบบเสร็จแล้วเราก็จะได้บทเรียนเป็นประสบการณ์ตรงของใครของเรากันโดยไม่ต้องสรุปว่ามันดีหรือไม่ดีแต่ว่าบทเรียนนี้ก็คือให้เรากลับมาดูตัวของเราเราก็ไม่พยายามเพ่งออกไปข้างนอกนะโดวยว่าผู้แหม่ไรไม่จับดูคนนั้นคนนี้คนนู้นลักษณะที่ว่า จนเกิดคำถามว่าทำไมต้องทำอย่างนั้นอย่างนี้อย่างโน้นไม่ต้องเพียงแต่ว่าสังเกตจากกระดานก็นแล้วกันตรงนี้มันมีกระดานบอกถึงกำห น, นดการเป็นรูทีนเป็นสเก็ ด, ด้วนบอกถึงว่ า, าตื่นตื่นอย่าหลับทำอะไรบ้างแล้วก็จดจำมาไว้แล้วก็ปฏิบัติตามนั้นไปเลยแล้วก็ใช้ข้อสรุปของคำพูดที่เป็นทฤษฎีนิดนึงก็คือให้ใจของเรามันมีสติอยู่กับกายตัวนี้ เราก็จะเห็นความเป็นปกติเล็กๆปลากรูุกตุกนาเลยที่เราอยู่กับปัจจุบันได้เนะข้ว่าอยู่กับปัจจุบันเนี่ยหมายถึงว่าจิตของเราเนี่ยเจ้า อ, อยู่กับความคิดการปรุงในอดีตในอนาะคตบ่อยเคยสังเกตไหมบางทีนะปัจจุบันเราอยู่ที่นี่ศาลานั่งอยู่ณจุดนี้แต่ว่าบางทีใจมันไหลไปที่บ้านเวลานี้ขณะนี้เราเคยมีนิสัยเคยทําอย่างไรนะบางทียังดูหนังดูละครบางตอน ขนาดนี้เลือดูถ่ายทอดสดดูกีฬาดูข่าวหรือว่าคุยโทรศัพท์นับพบกับมิตรที่เวลานี้ก็จะต้องพูดคุยกันอย่างนั้นหรือว่ารับประทานอาหารแต่ว่าขนาดนี้เราต้องมานั่งทําวัดสวดมือนกันมันก็จะเริ่มปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจากเคยที่เราได้มีนิสัยความเคยชินเก่าๆเปลี่ยนมาเป็นของชุมชนวัดป่าสุกโตชาวสุกโตเราก็อยู่แบบกลมเกลืน ตกไดผักกาจจนตั้หนึ่ง 1, 2, วันสองวันสามวันมัจะเริ่มมีนิสัยใหม่ๆเข้ามาคือนิสัยแบบชาววัดทำบัดสวดมนต์แล้วก็จะทำอะไรก็มีความรู้เนื้อรู้ตัวเป็นหลักเอาไว้ทั้งในรูปแบบนอกรูปแบบตัวนี้นน ะ, ะเพราะนั้นเดี๋ยวเราจะมีเรื่องราวต่างๆนะได้เรียนรู้ร่วมกันจนถึงวันกลับเราก็สังเกตจากชุมชนชาวสุกตที่เขาอยูนะ่บางคนแม่ชกกีก็ตั้งใจปฏิบัติกันมาก เดิจงกลมเนี่ยเราก็เป็นแบบเป็นอย่างกันบางทีก็กานั่งยกมือสร้างจังหวะกันนิ่งๆแล้วก็แบบว่าอย่างกันบางทกกีก็ก็อยู่นิ่งๆไม่ได้พูดไม่ได้คุยอยู่แบบไม่คุกคีสันโดดเนี่ยแล้วก็แบบว่าอย่างกันเอาตัวอย่างที่ดีกันเอาทั้งผิดเป็นครูแล้วเอาถูกเป็นครูแล้วเราเลือกเอาตรงไหนที่เราทําแล้ว มันมีความเจริญรุ่งเรืองแล้วก็พัฒนาขึ้นมาแล้วก็ความทุกข์มันลดลงแล้วก็น้อมเข้ามาใส่ตนต่อไปทั้งพระพุทธทั้งพระธรรมทั้งพระสงฆ์แล้วก็น้อมเข้ามาใส่ตัวเรียกว่าน้โมอตสัจน้อมกข้ามาขอนอบน้อมต่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ความดีความงามและคุณธรรมต่างๆก็เรียกว่าปฏิบัติธรรมนี่แหละนะเดี๋ยวมีอะไรค่อยพูดกันต่อไปก็นะ คิดว่าจะพาปฏิบัติให้มากเพราะว่าคนมันน้อยดิเราก็อยู่แบบชุมชนชาวสุกโตไปเลยก็จะไม่มีการควบคุมหรือว่าชี้นำอะไรกันมากเปยงแค่แนะนำว่าให้ใจมีสติอยู่กับกายมากๆนะเดินจงกรมตั้งส้างจะวะวางกายวางใจให้ดีๆอย่างนี้นนะเดลือไทยส่วนล้วก็จะได้มีประสบการณ์ตน ประสบการณ์ตรงที่เราสามารถที่เป็นครูสอนตัวเราเองได้แล้วเราก็สามารถกลับไปแล้วก็เป็นที่พึ่งหายใจของเราเองได้ความรู้สึกตัวเบื้องต้นเนี่ยมันจะพัฒนาแล้วก็ขยายผลออกไปจากการดูกายมันก็จะกลายเป็นการดูเวทนาสติคือตาในนะตาเนื้อเราเห็นกันแต่ว่าตาในมันเห็นตัวเองเห็นกายเห็นเวทนามันแสดงออกมาปรากฏออกมาสุขๆทุกทุ ก, ทกเห็นอาการของจิจที่มันคิดแล้วโลภแล้วกอดแล้วหลงแ ล, ะ ล, ะละ้วลังไล้ชัง มันเกิดจากตัวคิดการปูมกันแต่งเห็นธรรมชาติต่างๆตากระทบรูปหูกระทบเสียงต่างๆหรือว่าอารมณ์ต่างๆที่มันมีอยู่ทั้งภายนอกทั้งภายในะเป็นธรรมอารมณ์ต่างๆเราก็จะได้สัมผัสจากอยากไปหาละเอียดต่อไปแล้วก็ขอให้เราที่มีศีลมาอยู่ที่นี่แล้วก็มีความสุขมีความสุขมีความสุขเราขอให้การปฏิบัต ด, ดีแล้วก็ปฏิบัติ ด, ดีของเราทั้งหลายนั้นการที่เรามาตั้งใจปฏิบัติธรรมเจริญสติของเราทั้งหลายนั้นก็จะเป็นไปเพื่อ การทำที่สุขแห่งกองทุกโดยทั่วหนากันทุกท่านทุกรูปทุกนามเตือน